BOOK two. 2สามมูดกการทำความรู้จกักปาริเชยมสวัสดีค่ะน้มัสการสวัสดีค่ะน้มัสการ สบายดีไหมคะมีดูยังแล้วนะรึคุณมาจากยุโรปใช่ไหมคะมีดูยุโรปนุนดีวัจจาระคุณมาจากอเมริกาใช่ไหมคะมีรูอเมริกานุนดีวัจจาระคุณมาจากเอเซียใช่ไหมคะมีดูเอเชียนุนดีวัจจาร คุณพักอยู่โรงแรมอะไรคะมีริเย o โ e เทลโลบัสเชสตูนารุคุณอยู่ที่นี่นานเท่าไหรแล้วคะอิกาเดมีรุย็นตะกาลังกุมตู n ารุคุณจะอยู่ที่นี่นานเท่าไหรคะอิกรเดมีรุย็นตะกาลงมุนตารุคุณชอบที่นี่ไหมคะ มิรีการณชินดาคุณมาพักผ่อนที่นี่ใช่ไหมคะมีริการณเซลวอรกันจาระมาเยี่ยมดีฉันบ้างนะคะเยอะปุ่นเลยนะมีรินันกาลวันดีนี่คือที่อยู่ของดีฉันค่ะอีดีนาชิรุน่ามาเราพบกันพรุ่งนี้ดีไหมคะ เรบบอมันงการลดดามะขอโทษนะคะพรุ่งนี้ดีฉันไม่ว่างเฉมินเฉนดีนากูเวเรปันลุนไนลาก่อนค่ะเซลวุลาก่อนค่ะอิงก์เสรลวุแล้วพบกันนะคะมารีกลุดดามุ